สมทะนาข้าสร้างความชั่วใส่มันใจสำหรับใจมนุษย์สมทะนะที่สร้างความดีลงใส่ใจเป็นหัวหน้าเป็นหั ded, นนวหน้าในทางดียิ่งสมทนะของใจถ้าเป็นหัวหน้ากายก็วาจาเป็นทางชั่วเขาไม่สมทนะของใจใจเป็นของสูงต้อเป็นหัวหน้าทางกายวาจ า, าเป็นทางดีทาดีก็เป็นที่พึ่งของ ใ, ทใจทําใจไปเป็นที่สร้างความดีทาดีแล้วก็มาสู่ใจ ในตอนเขาคล้องยากและโคเหม <1938. S 2> er ือนโคและกระบูทําชั่วและก็มาสุใจไม่ต้อนของคล้อกยากเหมือนกันมันมาเองไหมนึกถึงเวลาไหนก็เดือดร้อนนึกถึงเวลาไหนก็เย็นใจถ้าว่าทําดีถ้าว่าทําชั่วนึกถึงเวลาไหนก็เดือดร้อนนั่นแหละคือตัวบาปนั่นแหละคือรถของบาลรถของบาปในปัจจุบันนี้รถของบาปในอนาคตก็ต้องมีในชาติหน้าก็ต้องี คำสอนขอพุทธศาสนาะสอนให้รักษาธรรมดีสอนให้เป็นติพึ่งของตนให้เป็นติพึ่งความดีของตนความชั่วยอย่าไปสร้างมามันเป็นมันไม่เป็นติพึ่งมันเป็นเฉเนียด่างไรมันแบียดเบียนกายวาจา ใ, ใจของเราความชัว่วอกักตันสุขตังได้อยูความชื่วไม่ทําเสียเลยกว่าอากตังสุขตังได้ยความดีจงทําเสมอ การละชั่วทําดีเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าสงสารต้องทัดจิตใช่บันเทิงในการละชั่วทำดีเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าสงสารเราละชั่วตอนไหนความดีตอนนั้นเข้ามาหาเรละชั่วตอนหยาบความดีตอนหยาบก็เข้ามาหาเราละชั่วตอนกลางความดีตอนกลางก็เข้ามาหาเรละชั่วตอนอย่าตอนละเอียด ทำฝ่ายละอยดกขาเข้ามาหาและเอียดคืออะไรคือความชพิษของพระนอนาคานีความดีของพระอนาคานีความดีของพระโวดาบันดีสัจจักตรนดีพระอนาคานดีพระอรหันต์พระอรหันต์มหาดีแล้วไม่มีสิ่งที่จะมีชั่วมาคนเด คนรางใจถึงทุกท่านแต่ว่าใจถึงในทางดีก็ได้คนนีใจถึงทางชั่วก็ได้ผนชั่วรักตนรักษารักพวกรักชาติรู้จักคนดีรู้นี้คนพารู้จักใช่ขายอย่าใช่คนพาต้องตรองบาปวันมันเสี่ยงแก้ไขายเี่ยงอะไรได้เพีย ง, ไ, ไ, ยงไว้ให้คนดี จรนเดียวก็เลยอาหารอาหารยังต่การงานถ้าเป็นการงานก็ไม่มสิ่งที่จะใช้ต่อไปการงานบริสุทธิ์พระบรมศาสดาไม่ได้สรงตีเสียนเล่นจากค่าศักเล่นจากรักทรัพย์เล่นเจ้าพืชในทางเลจากว่าพืชผิดในทาดีล่าสมมารรมโต กำมันโตการงานชอบเล่นจากผู้แท็กเล่นจากผู้สอบเสียบเล่นจากผู้คำหยาบเล่นเล่นจากพูด เ, เพื่อ เ, เ, เ, เ, เ, เชอื่อเรียกว่าทํา ม, มาวาจาเพราะวาจาถูกเพราะเว่นถึงแล้วนี้แล้วสัามมาอาคีวอร์เลี่ยมชีวิตชอบคือเว่นจากเลี่ยมชีวิตโดยทางชีวิตเชนบ า, ายยมุขเป็นมต้นจงเว่นซะทาไมเว่นก็เป็นบ า, ายยมุ มุขขมุกขับแปลว่าอิสพาอยู่ซึ่งหน้าซึ่งปากถ้าหากว่าเราเว่นแล้วพอเป็นทางเจริญอยู่ซึ่งหน้าซึ่งปากเหมือนกันถึงพระพุทธธรรมพระสงเป็นชื่อเพื่งสามเศร้าเข้าสู่พระนิพพานไม่เอารัดที่อื่นมาบนเตไม่ถือเวทมนตรราคาถ้า หรือว่าคำสอนใดๆมัเหนือค allora. <Yeah. S 1> pues ําสอนของพุทธศาสนาไปเลยคําสอนศิลปศาสตร์ก็ไม่เหนือของพุทธศาสนาไปวิทยาศาสตร์ก็เป็นเมืองขึ้นของพุทธศาสนาคําสอนพุทธศาสนะสูงกว่าโลกแล้วเด่นกว่าโลกทุกยุคทุกสมัยใครจะให้คะแนนหรือไม่ให้คะแนนก็ตามแต่พุทธศาสน์ผัสสูงอยู่อย่างนั้นค่ายคับป้าใครจะให้คะแนนสูงหรือไม่สูงก็ตามไอ้ที่แท้ก็สูงอยู่อย่างนั้น มันจะรู้จักว่าเป็นของดีหรือไม่เป็นของดีก็ตามเพราะพุทธศาสนาก็เป็นของประเสริฐระล่ำอยู่อย่างนั้นขันนิเวดเวียนแล้วพุทธศาสนาไปไม่รอดในักตั้งตงัวนักสาวออมก็าตามกรรมและผลของกรรมที่ทําดีแล้วไม่ดีพราะพุทธศาสนาเอามาเป็นหลักแล้ว เ, เราทำเราทํำคำดีคนอื่นจะบัญญัติก็เป็นคำชั่วมันก็ไม่เป็นคำชั่วไปตามคนอื่นบัญญัติเพราะบัญญัติผิด ทีนี้นที่เป็นบุญจริงๆมีทานวัสศีลวัตภาวนาวัดคนอื่นจะบัญญัติว่าเป็นอื่นมันก็ไม่เป็นไปต า, ามความภูมบัญญัติเพราะบัญญัติผิดนี่ยจะให้ปอดีเมาดีกว่าครับ e วาวนีวนี้ท่านประธานนาอรงไปามตธสธรรมมุขทาที่มองเห็นไดสดว ท่านพู้ใดทสังฆบ้านจองชาแล้วตองานีโกหือยาทามุนีโกติว่าจรู้ะต้งทำเท่าไระว่้องทาไรเที่จะได้าาสั้จะงวทางานาันติอายุวันนุขังัง้ใส่กับาปฏิวัติผลถูกกันไปพึ่งโยกับข้อไฟหนอกไปใส่ยิสกับปฏิวัติเราผลถุกตามสกี้กลัง ไปก็ะถือยุกกคกระถือสิาสารกับงอกับปฏิวัติเพื่อนรัทุกครงแต่เจน้นโม่ตัวเดียวกับปฏิวัติเพื่อ น, ก, นอกับตุกหน่อกหน่อกข้อมนกทุกของนโม่ปแปลว่าข้มห น, น่อกแต่ชันน่าข้มเพื่อที่จะขอมออกจากโลกคนนี่เกี่ยวกัอนได้ไหครับมันหมายถึมอยู่ในโลก คอโทกโทษออกจากโรกมันกิดทษยังไงถ้โมก็ติดโทงใหม่ไเจจนาเพื่อติปฏิวัติออกจากโลกถ้าโกหปกหปฏิวัตออิพตเพื่อออกจากโลกถ้าเสียชวิตภาวนาเพื่อปฏิวัติเพื่อออกจากโลกออกจากก็แจ็คชจอตายไม่เจเท่าไเท่านั้นไม่เกีเกท่าไห่เลยก่นหน้าหลย เป็นม่นชมาลายแต่ปัญหาทุกเมลยัยปัญหามันจะลายสิเนี่ยจโลกธาตุมันเป็นทุกเรื่อมันทุกไล่ปัญ ห, ห, หาจะไล่เยย่นปัญหาหรือว่าเป็นหนึ่งก็ยน่นทุกหรือว่าเป็นหนึ่งเทากันนี่นนหรอกนึ่งทุกปัญหาเกี่ยวกับงทุกปัญหาเกี่ยวข้องจะออกจะกองทุก์กันมีธานวัดเทววัดรพวนาวัด ขอปฏิบัติธรรมตที่กำลังขอแ ท, ท่็ดธรรมแต่ละคนขอปฏิบัติธรรตที่กำลังอยู่เส ม, มอปฏิบัติเพื่อนทุกข์ตามเ็ที่กำลังอยเส ม, มอทช่ใส่กับพระยุทระดับเดิมกะสูงขึ้นข้เก่านบวกขึ้นไปทั้งไฟขอส่วนพ้นบนุญข้าวอพ้นทั้งกองเงินคม ใจมือนทำลงโดยผูตัวบวกดีบวกช่กับบวกเข้าใจฮะแต่บวกนอื่มมันถึง่มันเป็นความหมายดีกันเทศดีขับบวกเข้าใจความชั่วกันเทชั่วกับบวกเข้าใจฮะข้ดีร้ายก็ควอมชั่วกับอะไรทั้งดีดีร้ายนว่าไม่กิเลสกับเขาสู้พ่าน ผ้าคือดับเพินนวัตตาสงสารเพลินนวัตตาสงสารก็คือเพิ่มเพิ่นในรูปานเพิ่มเพิ่นในแก้ในเก็มในต่ยตายเพิ่นในข้อมบันว่าเทียงเพิ่นในดินหนาไฟล่อมพระวตาสงสารก็เต็มไปเลยหน้ไฟล่มเมเข้อมบัเทียงผลลัพธ์ก็คือทุกข์ทนได้ยาก ว่ามัศบากาย่าสบายใจได้ชื่อว่าทุกข์เป็นของทนในยากมันเคยอดทนมากเลยเคยลืเนะแต่เมื่อวันมันขวยมันเกิดลึมเสแอมันเลยกายเมื่อวันขวายมึนนะตีไรก็เลยมึนหลังมันถึงจะแสแอะไงงูเห่าเคยมาเกิดตอนที่อะไรว่าตอนท้องร้านเนี่ยเคยมาประสบจะถูกเกิดเลยกายเป็นคนมึนไป อันนี้นเข้ามาจะงอเป็นคนมึนอันนี้งอ เ, เป็นคนดูตัวอันนี้แกไน่ทสาเกต็หลับเกล็หลับจะคของจี่่อยลงมากแนวัดสะดุภายนอกสะดีก็ร้ายสิร้ายก็เรียกที่จบที่สวยที่ง่าไม่ยังกันตามที่ เ, เสริเรื่อราก็ตามมาทุนยมภายนอก มาเป็นเมื่อขืนของพระพุทธศาสนาํากรพราะพุทธศาสนาพันธิมแล้วพวกคนเขาสู้พันธิภาพนั่งที่สมบ้านเขาสู้พันธิภานนี่แหละเลยมาอาศัยต่อกันอาศัยวัตถุพันธิพันธิมแล้วอยู่วันพิบารเสนาสนาในเพศสัตว์ชุบเขาสู้พันธิภาพพันธิมแล้วมโหก็เลยมาอาศัยของเพลินเพื่อปฏิบัติเพื่อคนทุกข์เพื่ออาศัยเพื่อที่วาเป็นเพลดอยู่นี้ ว่มามันมาอาศัยแข่งดีแข่งเดน่นแชงหางแขงวี่แียงรถยอดรถไฟกันไม่น่อยไม่ไรก็มยอมูซาบะประปลทำประสองค์มัดจะเป็นสบายถือว่ามั น, น, ใ น, ในใับไล่เพื่อนแน่ใโรกชาตินำไล่ของพาภพลตธอทำประสองค์ผู้คนพ้นไปแล้วแล้ว เ, เป็นของดีของมู่ห้องผู้พัพนพน้นหมู่ห้องจะได้อาศัย ควมาสือ่าอาศัยจนเริ่มตัวเริ่มก็เริ่มว่าได้ล้วแก้็บตายทับถมอยู่ที่เรื่อะไรอย่างไรหล่งพ่อจะเริ่มได้แหลแกก็บตายทับถมอยู่ทุกข์กระทับถมอยู่นู่งขาวรหายหนาวดุจราพัสสะมืงทับถรอทั้งกระทับถมอยู่ทีเรื่ตัวจะได้ได้ผู้แก้กับแก้เห็นผู้จบกับไปเห็นผู้ตายกัตายเห็นยังี่ทุกิกพัดผกกับทกิจุกพัเห็นยัง เนี่ยเพื่อ็เปลี่นห้าก็เป็นอยู่แม่พอเห็นเนี่เพื่อนเป็ี่นเห็นหน้าจับของด้่ยจัาของแก่เคเห็นจับของเก็บก็เห็นจับของตายเคเห็นอยู่จับของเจ็บปวดวันนี้ก็จับของตักงอยู่ก็พอพดก็บังนอนไปชิงไปชิมาอยู่พอเกี้ยวกระโเผวันหนึ่งคืนหนึ่งกันรับทั้งสองชั่วโมงกับทั้งาง เัาไม่แค่อุปสรรคมันละขันโมมีอุปสรรคมันกับว่าเค็ดว่ารับไม่เป็นอย่างที่ไม่อุปสรรคมันจะเป็นยุงสี่สัได้มันจักไปทังทุกยุคทุกท่้นในยาพวกคนท่ชอบทุกข์ท์ง่ก็จส่วนมูอห้อนี้แหละถึงไบสามเหลีบสามบาลมีมูห้องจะสูดูเหลียบเหลียบสามบาลามีใช่ไหม ชาตวัดสีลวัดพรวนาวัดเถงพระทรํารประสงค์เล๋ยวสูน้อนใจแล้นความดีมือนี้นดีความ อ, อื้นบุญที่ทำเป็นง่าขาเห็นหอยะสุปป ร, ะารามาสพระพุทธเจ้าพัดมาฝนตกลงมาใ้แผ่นดินแ่นับเทเลเมตเมื่อมันร้ายเขามันคงหง กับครั้งด้วยทุกข์ที่หน้าเป็นพุกไม่ถูกแล้วทุกข์ครับไปเร่ตาไม่ไม่ทุกข์กจำเป็นแล้วแ้วเปลวหน้าไม่มัศติวรักษาทุกข์คันทักษาอันตะยกิริยาสังฆตตาตัการท่ำให้คนทุกกดจะพึ่งปลดพดแก้ข่าพระเจ้าทั้งหลาย จังคมเมือนเทียงสมาที่แบบกแต่ยาได้เข้าไปมื่อกลังกระสนออกมากัรละมาอยู่ในอานาจควบมืเทียงเม่อพุทธเจ้ากรสอนให้เบื้องนายควบมือเทียงควบเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเอราะเบื้องหน้าควบหลงเจ้าของก็ไปลงอัลงอันนี้ทั้งอดีตทั้งนากตทั้งปัจจุบัน ดีตนาปัจจุบันยังสัากองทุกเรวงมาแล้วทวานมาถึงกลังเปูพระันานว่ามีอดีตว่ามีนาคตบ่มีอำนาจอันนี้คําว่าบรรยัตปัจจุบันพะจชัเอาปัจจุบันเป็นตัวสีนสมรรถิพันธุ์ญาเพื่อเดินไปสู่พันธุ์พานเดี๋ยวอดีตมันกิดร่วงไปแล้วเดเอานาคนมาเทามาถึงกได้จับ ตัวปัจจุบันเป็นตัวประกันเอาเป็นตัวศีลเอาตัวเป็นเอาเป็นตัวสมาธิเอาตัวเป็นตัวปัญญาเอาเป็นตัวสติเอาตัวเป็นตัวสัมปชัญญะเอาเป็นรูปเพาะเอาเป็นเครื่องหมายของของทํางานเอาเป็นเด่า เป็นทุกในปัจจุบันสัสตว์เนี่ยทุกอดีตอนาคตพตรองสงสัยเห็นดีนหนาไฟร่มในปัจจุบันเล้วยดีนหนาไร่มอดีตในอนาคตพอตรองสงสัยเห็นความมั่นมั่เที่ยงเหความเกิดขึ้นแปลกปนและแตกสลายในปัจจุบันฟองเขลมเขาลมออกแล้วอดีตใอนาคตกับตรองสงสัยเพราะในตัวปัจจุบันเป็นตัวประกันแล้วันว่าัสตว์ัว่าสิ่งคสงสัยในโลกทั้งพวงอดีตไป่อยังโลกที่ร้งไปแล้ว อนาคตยังโลกถือว่าถ้มาถึงัฐบยังโลกกับถ้ำผสมกันอยู่ในปัจจาบันถ้าพีเจ้าน้าเป็นถมันก็ได้เป็นถ้ำแตถ้าว่าพี่เจาาเป็นถ้ำมันก็เป็นโลกวนๆันรับันีก็ได้ผู้ไปเกี่ยวของในอดีตเป็นแฟกับผู้ปัุบันผู้ไปเกี่ยวของในอนาคตไผู้ปัุบัน ผู้ชี่พิพาณาปัจจุบันรว ป, ปัจจุบันมัน้กัคือผู้ปัจจุบันนี่แหละทวนกระแสบงเจของอดีตมันนท่านเจ้าของตรวงมาแล้วอนาคตนี่ท่านเจ้าของที่พระท่านมาถึงปัจจุบันไม่ทั้งนี่ท่านด้วยไม่ทั้งเขาร้วยไม่ทั้งนังด้วยไม่ทั้งบัญชีด้วยไม่ทั้งตัวเงินด้วยพาปัจจุบันนี้นั่งสือยุดสเดิอสีนอนก็นนนม่ได้ว่านอนมาโานนอนมาลับ รับเรียกกับเรื่องของรับไม่ไดเขาตายเขาไปต้องนอนตายแขาละยากผู้ทีนั่งตายยากผู้ทียืนตายยากผู้ที่เดินตายเรียนไว้ถึงแค่การจําเป็นมากเดินตายคื อ, อยังไงถ้าเดินไปไมัปนไปล้มซะล้มตายใช่ไล้มตีขึ้นนั่งตายคือยไหมันั่งคือซื้อกินเขา่าจนเข่าเน้น เออเออคือไปจ่อยเดี่ยวมันนั่งตายนอนตายคือวายยังไหลายตายเขาไม่หรือนอนตายธรามดา ก, ก็ขม่ยืนเดินนั่งนอนรับเตือนไปนของพายนอกยืนเดินนั่งนอนโดยของพายหนอกส่วนรับไป็นเรื่องนึงรับเนี่ยสิรับไร้าป็นไหนวันหนึ่งคืนหนึ่งอ่ะใคเป็นผู้ลงกับสามชั่ว ง, งกับพ่อแล้ว พวกถวช่างเข้าเนี่มันวัไรแล้ววันนึงขึ้นหนึ่งสัมงหนึ่งก็ทางหักมาขึ้นหอนบรับซ่งผ่อนที่แก่ไม่น้อยเดียวนึงพ่อสำรวถึงเว้นกัดตอนนั้นพ่อก็เพิมเนี่ยไม่ผู้มากเพรพอที่จัดว่ารับได้ทางเว้นเหมือนนี่ก็ได้มาขึ้นาว่าบรับขื้นมาสีมาเ็ที่คะทำหมัดได้ตัเส้าหล่อรุ่น แน้าธรรมะกับพี่แ่น้าของทุกเนี่ยก็แน่หลงแล้มันมีแค่น้าทุกเบื่อทุกแล้วมันจงก็อเหตุผลจากทุกไปมันเบื่อทุกมันกับพวคนแล้วมันยังเพื่อนน้าทุกตัวพมเห็นขงจักก็เป็นดอกบัวเนียมือเขาไปกอดไปอุ้มตัดตีนตัดมือตัดเอื้ ไาเลื่อนภัยในโรอกอันนี้ตายเสมอกันแก้เสมอกันเจ็บเสมอกันมัดเื่นกันเตะขึ้ใจใจเห็นธรรมะวัาธรรมะวนแก้เช็บตายไม่ไชเลื่อนกันเช็บร้ายเช็บหน่อยไปแล้วเช็บจะตายอ่ะข่วยคึ้กันบางข่วยขวยอยู่นั่นบางค่วยบบับสายประลดบาง่วยกรท้อนละมานอยู่นั่น ก็ตายเจ็บหลายมาใ้จังต่ายจับเช่นจัตายเนี่ะเช่นไม่มีกำลังส่วนจังวามันแล้วนั่งพิทุขาหน้าทิพย์พิทุขาเนี่ยทุบกันแน่ทุบกันตัวจังไม่สาดคือว่าตายกระทุกหาโยหากินนะสี่ให้ยาวหานางหานอนเนี่ยนั่งโซฟานะสุดิน เขาสู้เขาสูคนาพาไปแล้วภาาาบอ้ทุกนขสู้คนนี้พาดไปแล้วคล้ายๆคาบาาสต์พบนี่มุเ ง, ม ง, มงเป็นของม่้นี่คาชักเม็ดไปแล้วแจ้งเป็นของมคาทำรับมู้งห้องพาท่านเดือพต้องเสียสายศาสตร์พบเนี่ยปฏิบัติุกคนพลาไปแล้วอุปมาคือมันไม่มีประโยชน์ยังชักเม็ดนี่แหละเพราะมันมีกระทุกว่าผมนะเดียวล้างขึ้นมาบนสองหรือม่ เต่รวังโมเดลลังขึ้นมาสัง่งเพือ่อโหมากปืนขึ้นล้มหมุดปุ้งขุดปีนขึ้นล้มทานเพิ่งหรก็เ่ราะจักเสียดายจะขึ้นมาเพิ่งเนี่ยฟารานกระจายฝนฝนปลาละผ่ า, านว่าส่วนถึงเนี่ยเล้ใช่ผ่านเยกหน่อยก็ผ่ า, านาว่าละ ขันจะเป็นการะละมั่นในทองพ่อแม่ในทองแม่อมพุทธบัรจาสาขาครืองกินเหลินในทองพ่อแม่3ามเดือนก็เป็นใจประอ้อกที่เดือนหาเดือน6เดือนย่อยขึ้นไ่้ขึ้นเป็นลำดับเนื้อหน้อยู่ในทองเป็นทุกข์ค่ที่เปรียบเทียบไม่ได้พะมันจํไบ่ได้ทุกข์ร้า ย, ายมาได้เาไม่วันคี่บอกคือกัน เดี๋ยวสัตว์ลาดออกมามันจะหายรอดนะมันกัดทุกไว้พรแห้งแหละขลาดออกมาด้ส่องหายรอดเสียงมันทุกมวยคนได้ยิมทุกคนมันเห็นว่าพันแผลน้ำทุกมีนุนยิมแลาดออกมาด้ยิมเขาไม่นหรบกาแล้วเขาเมย์บุมบบุ๊บส่อง ถอดข้อแม่ออกมาพป่นเอาซากตัวใหญ่ๆเอาของเขาฟองพล้มหัวเนี่ยดึงสากออกขนะาดฝาล้มหัวพาล้มวางคอเนี่ยก็ดึงให้ออกมาตกมากปาตกเหี้ยเลิีนอ้อนๆมากก็มาถือสากถือแบกคือยัง้ง ควันคือบบกำเนียร์ครับบมันแฉกหองตอนนี้หายด้วันลาบโดีก็มันเกิดเส็จสั่จะเคลียลาบมันจะเกิดเกิดมาเป็นทุกข์วะครับแต่ใครที่จะคือเขาจเกิดคัแล้วมาเกิดพระหลเขาไม่ได้ไปตายเขามนเกิดมากเป็นทุกข์เกิดมากมันเป็นทุกข์เสร็จสั่งจกรนาเกิดฆ่าที่พี่ทุกข้าเลย ม้นก็มันก็เกิดเป็นทุกข์มันก็เกิดเป็นทุกข์แล้วก็แก้ก็เก็บก็ตายกันไปก็แค่ห่างมามาจับความจรงสั่ง้องสั่งอะไรวะแล้นพี่ก้าวพี่ก้าวตามเป็นจริงเหรอแล้วต่บางคมันท่วมละาแล้วคาบพี่ก้าวมันเป็นจริงรูแไหมกับพี่ก้าอ่ะคร่วมมาร่วมกสรางทึ่ไหนมันมันก็สงสัย เรีเขามันร่วมนะมันสงสัยขึ้นกเรียบามันบูร่วมมันร่วมอยู่ในควมก็สงสัยแต่แมมันร่วมด้วยกันอที่อย่าหน้ามันดูแจ้งตอนแรกมันกับพวขบวดขึ้นมันมสงสัยว่าโลกอันนี้เต็มไอด้วเือมันมาสงสัยว่าโลกอันนี้คืเป็นของหมันของเทียงเตือะดูแต่ขมจเป็นมันว่ามณฑนเงินยูแบบเรื่องตัว มันอยู่เพื่อกินกินพระจะอยู่อยู่เพื่อนอนนอนเพราะอยู่มันอยู่เพื่อนางนางเพราะจอยู่มันอยู่เพื่อเดินเดินเพราะอยู่มันอยู่เพื่อหาได้ได้หาได้ได้เพราะอยู่มันจไปที่บ้าไปเอาละสองกันแล้ว่ันช่ทั้งหมดแล้กทั้งมดแล้วกโท้งหมดแล้วก น า, นาเป็นอาลัยยุ้งเท็เ อ, เเ อ, เ อ, อาโปรกระสินก็ให้เป็นน้ำไปหมดทดั้ง อ, าาอดีตทั้งอนาคตถ้าจิจารณานาเป็นโซกระินก็ให้เป็นไปไปหมดทั้งอดีตทั้งอานาคตทั้งปัจจุบันไม่ต้องเอา อ, อ, อื่นมาแยกถ้าพิจรารณาลมก็ต้องให้เป็นลมไปหมดเหมือนับภาพกัน ไม่ต้องอาคนอื่นมาแกล้งเรื่องภาภาวนาเรื่เรื่องภาภาวนาไมา่สงใสถ้าจะพิจารณาร่างกระดูกก็เต็มโลกก็ยัดเยือกอยู่ด้วยร่างสระกูกข้างเห็นอย่างนั้นให้ชัดอย่างนั้น จะาจิจารนาแต่หนังก็ในโลกมีบรรจุแต่หนังทั้งหมดจะต้องเจรนาเสมอภาคกันไม่ต้องลำเอียงถ้าจิตเจรนาเลือดเป็นอารมณ์มีสีแดงๆในใจรสชาติกัจนเลือดหมดบรรจุเลือดให้เห็นเสมอภาคกันถ้าอย่างนั้นมันจะสงสัยให้มันลงเป็น นั่นก็ดินนั่นก็น้ำนั่นก็ไฟนั่นกล็ลมก็ดินน้ำไปลมก็นั่นก็อนิจจังนั่นก็ทุกครังนั่นก็อนาาัจาสิ่งล่านั้นไม่นด้มาหลงเราเราไปหลงสิ่งเหล่านั้นมันก็มีวิธีย้อนถามเป็นอี้เหมือนกันสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ยืนยันว่าเป็นขอ ง, ของใครแต่เราไปยืนยันเมื่อเราไปยืนยันเราเป็นของของเราสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้รับผิดชอบด้วย สมผลเนี่ยควนันทั้งเือเองกะดูกก้อนกันเราไปยึดเนี่ยต้องเป็นของเราสิ่งนั้นก็ไม่รับด้วยไม่ปัดด้วยมี้าตุที่เป็นไปก็เป็นไปแต่ขึ้นแล้วก็จะสลาย้าเป็นผมข้าเป็นขนข้าเป็นเล็ดของพญาย ก, กิตราคะข้าไม่เป็นเขาก็ไม่ปฏิเสธก็เป็นเรื่องความหลงของจิตใจต่างหา ที่จะยืนยั น, นเขียนแล้วไม่รู้จะครบกินแล้วไม่รู้จะพายสมมติถ่ายแล้วไม่ถอนสมมติ ลมเข้าลมออกก็ไม่ได้ยืนยันล้าเป็นลมพยาจิตราษถ้าพระเจ้าเป็นกายพยาจิตราษเข า, าก็ไม่ยืนยันถ้าพระเจ้าเป็นผมของพยาจิตราชเข า, ากไม่ยืนยันแต่อำนาจ ด, ด้วยองความลงไปยืนยันเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นสมบัติพัสนาของตนถ้าไม่อยู่ในวงแขนของตนก็เสียใจทีนี้ถ้าอยู่ในวงแขนของตนบ้างก็ติดอยู่ แล้วก็ติดอยู่ไม่ไหวเดี๋ยวก็วิโยคชาตไปแก่ไปเจ็บไปตายไปตามไปหมดนักป้องนักหาคือคิตใจเดี๋ยวฟ้องอะไนเดี๋ยวฟ้องอันนี้ฟ้องว่นนงาผมฟ้องว่าฝนฟ้องว่าเล็บฟ้องว่าฟัน ผมของกูแล็บของกูฟันของกูตาของกูหูข อ, ของกูแต่มมเมื่อเวลาแตกสลายเข า, าเก็ไม่ลาผมจะลาท่านไปละเขาก็ไม่ว่าผมจะแก่นะที่นี่พยายจิตราัผมจะเก็บนะพยายจิตราักษเขาก็ไม่บอกมล า, าอีกด้วยจบลงจนไปฟ้องเขาจนเสียเงนินเองจนเขา้าฟุกเอง ไม่รับคดีกับเราด้วยตนหากไปสมมุติเขาว่าเป็นของตนแต่เขาก็ไม่ได้จำนวนว่าจะเป็นหรือไม่เป็นแล้วมายืนยันอีกด้วยแล้วไม่รับอีกด้วยเมื่อไม่อยู่ในความสมประสงค์ของตนตนก็โกรธแท้งเมื่อยอยู่ในสมประสงค์บ้างก็ติดอ ย, อยู่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นความผิด ความโงม่ความล้งของตนเองคือพยาจิตราศผมจะเป็นขนพยาจิตราศจะเป็นเล็บพยาจิตราศจะเป็นชักพญาสวารนักสวารเบาของพยาจิตราศจะเป็นกระดูกของพยาจิตราศจะเป็นหนังของพยาจิตราศ จะเป็นใส่ใหญ่ไสน้อยอาหารใหมอ่อาหารเก่าของพญยาจยิตราชเขาก็ไม่ยืนยันและเขาก็ไม่ปฏิเสธมันเป็นเรื่องของพญาจิตราักิงปูนจางหากัดคอกัดไส้ตางหาพญาจิตราชกเป็นผู้ไข่ ก็ตาเอ๊ะมึงใ่ไปแล้วก็ตาดูตาเดี๋ภาษาภาษาอังกฤยังไงนี่ยจ้าตาคนจันเนาะตาหรือตาภาษาภาษาอังกฤษตาหรือตาไม่ ไม่ละเจ็บนะกระตากเราอ่อนภาษาทำไมเข้าใจภาษาภากลางครับแล้วก็พูดเป็บมาบบอไปพี่เจรานรู้ให้ดีนี่ พ้าอยาง น, นพญาจิตตราชจะไปไม่รอดพญาจิตตราชมาหลงเขาเขาไม่ได้ไปหลงพญาจิตตราชพญาจิตตราชมามาสมมติเอาเขาเป็นบริวารแต่เขาก็ไม่รับในฝักเดินน้าไปลมในเส้นตายกองือนกันข้าพเจ้าจะเป็นเวทนาของพญาจิตตราช ข้าพเจ้าจะเป็นชัญญาของพยากิตตราชข้าพเจ้าจะเป็นชั้นขานของพยากิตตราชข้าพเจ้าจะเป็นยมยานของพยากิตตราชเขาเอมว่าอย่างนี้เมื่อพิจารณาไปพลิญณาไปประจางไปจางไปสืบไปสืบไปสืบไปสืบไปสืบไปหาตัวจริงไม่ได้อย่านี้ แค่ใกลกับแค่แคยับเดดเมื่อเข้าใกล้ใกล้แล้วก็มาเห็นถ้ามองใกลก็เห็นถราพอพอพิจารากันดีถ้ามันมีแกนสารอะไรที่สำคัญเอาเป็นแกนเป็นสารก็เพราะความหลงต่างหาก หลงก็จะได้มาสร้างดินอีกหลงน้ำก็จะได้มาสร้างน้ำอีกหลงไฟก็จะมาสร้างไฟอีกหลงลมก็จะมาสร้างลมอีกเส่นช่างเที่ยวในวัดตาสงสารใคร เ, ups, lip, เ, เ, ปเป็นผู้่างเที่ยวด้วยพระยาจิตตลาดเป็นผู้ช่องเที่ยวความงบความหลงอีกผู้ช่างเที่ยวเป็นทัศน า, นานเป็นผู้ทัศนาจรเป็นข้าแห่งกางฐานเป็นขาาแห่งความหลง ควนกระแสดูตนถ้าจิตใจไม่ทวนกระแสดูตน <Grey> ก็ไม่มีสิ่งที่จะทวนให้เพราะอยู่โดดเดี่ยวเพราะไม่มีเพื่อนจะเอาตาเป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนไม่ได้จะเอาหูเป็นเพื่อนก็เอาเป็นเพื่อนไม่ได้จะเอาร่างสระดูเป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนไม่ได้ไม่ใช่เพื่อนเป็นเพื่อนตาย ก็เขาแตกสลายไปก่อนจะเอาผงผลและควนันน้าเมื่อเป็นเพื่ อ, อนพยายามิตราได้เเป็นไม่ได้เพราะเขาไม่ยืนยันเ๋ยวเขาไม่ปฏิเสธนี่น่าที่แตกสลายก็แตกสลายไป ยาคิดตลาดเป็นหมาหัวบาดไม่มีที่อยู่นอนมันก็ไม่นอนไม่หลับหลับก็หลับส่วนกายแต่ท่านยาคิดตลาดมันยังไปอยันยันมันเป็นหมาหัวบาดมันเที่ยวเรื่อร่อนไป กพระ่างกายหลับปนควบคบอยู่ที่นี่ส่วนพยากริสราตมันไปแล้วมันเอาไปเอาอีกร่างหนึ่งแล้วมันเอามาแต่ไหนไม่ทราบนะมีรถมันเขเอารถไปด้วยมีเรือมันก็เอารเรือไปด้วยมีแข้งมีขามันก็ไปด้วยบางทีมันไปประสบพบสิ่งที่ไม่เหมาะสมมันก็กลัวท่นี่มันไม่หยุดเลยพยากิสราด มันวิ่งอยู่เหมือนนอนเจาะนอนชัยมันเง่งต้องเหนโทษเอาเองทีแยกกายออกจากใจกายไม่ใช่ใจใจไม่ใช่กาย รถไม่ใช่ผู้ขับผู้ขับไม่ใช่รถดินน้ำไฟลมไม่ใช่ใจใจไม่ใช่ดินน้ำไฟลมเป็นคนละอยา่างต้องพิกาวลาตามเป็นจบเทของธรรมะทีนี้ ยนน้าไฟลมมันไม่ยืนยันว่ามันมันดีใจเสียใจอะไรและมันก็ไม่ยืนยันว่ามันรู้อะไรมันโง่อะไรมันฉลาดอะไรอีกเหมือนกันยืนน้ําไฟลมแต่ไอาตัวคีเรสนี่มันสาคัญมากมันมีพิกมีสงมันเป็นพิกเป็นสงทีนี้ที่มันสิงอยู่กับกิจกับใจนี่ ดีตเขาก็ไม่ได้ว่าเขาเป็นอดีตอนาคตเขาก็ไม่ได้ว่าเขาเป็นอนาคตปัจจุบันเขาก็ไม่ได้ว่าเขาเป็นปัจจุบันแต่พยาคิตราชสมมุติชัยก็ติดอยู่เมื่อรู้เท่ า, ทมาสมมุติของตนไม่แก้ตน